เอ็ดวินซีบานได้ค้นพบวิธีการว่าจะคิดแล้วรวยได้อย่างไรการค้นพบของเขาไม่ได้มาในครั้งเดียวแต่ได้มาทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากปณิธานอันแรงกล้าที่จะร่วมทำธุรกิจกับโทโมัสเอดิสันผู้ยิ่งใหญ่ปณิธานของบานส์มีลักษณะพิเศษคือความชัดเจนเขาต้องการที่จะทำงานกับเอดิสันไม่ใช่ทางานให้เขาโปรดตั้งใจอ่านเรื่องราวต่อไปนี้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 รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ซึ่งห้องปฏิบัติการของเอดิสันตั้งอยู่อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้คนส่วนใหญ่ท้อถอยแต่ไม่ใช่สำหรับเขาเพราะปณิธานของเขาต่างจากคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนักประดิษฐ์และคนจอจัดเอ็ดวินซีบานได้เข้าไปแนะนำตัวเองที่ห้องปฏิบัติการของเอดิสันและประกาศว่าเขามาเพื่อที่จะร่วมธุรกิจกับเอดิสันยอดนักประดิษฐ์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 และรีบกลับไปทำงานที่เมืองต่อหลุมแรกถูกขุดเมื่อได้ทองคาแล้วก็ส่งไปล้อมผลตอบแทนที่ได้กลับมาพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในเจ้าของเมืองทองคาที่รวยที่สุดในโคโลราโดถ้าเขาเจอทองคาอีกสักสองสาหลุมนอกจากจะล้างหนี้สินได้ทั้งหมดแล้วยังสามารถสร้างผลกาไรไดมหาศาลยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรความหวังของดาบี้และลุงของเขายิ่งมากขึ้นเท่านั้น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 โครงการนี้ล้มเหลวเพราะเจ้าของเมืองไม่คุ้นเคยกับเส้นทางของสายแร่ทองคําจากการคํานวณวิศวกรบอกว่าแหล่งแร่ทองคําอยู่ห่างออกไปแค่สามฟุตจากจุดที่ดาบี้หยุดขุดเมืองแร่ทองคํานั้นได้ทำเงินให้พ่อค้าคนนั้นนับล้านดอลลาร์เ <Animals, icate S 2> <ร>พียง <mayonnaise> เพราะเขารู้ว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะล้มเลิกความตั้งใจหลังจากนั้นดาบบี้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 ความล้มเหลวจะหลอกลวงเราด้วยการเยาะเย้ยถากถางมันชอบทำให้คุณสะดุดล้มเมื่อใกล้จะถึงความสำเร็จอยู่แล้วบทวิจารณ์ความเชื่อของนโปเลียนฮิวที่ว่าทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวมันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกันเป็นแรงบันดาลใจให้เวนอัลลินรูธผู้ประกอบการและนักพูดสร้างแรงจูงใจเข้าเขียนหนังสือที่ชื่อว่า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 ถึงพลังอำนาจที่เด็กน้อยใช้โดยไม่ตั้งใจเขาหวนรำลึกถึงระยะเวลา30ปีแห่งชีวิตนักขายประกันของเขาสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในใจก็คือความสำเร็จในสิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นที่แท้ก็มาจากบทเรียนที่ได้จากเด็กน้อยคนนั้นนั่นเองดาร์บี้ชี้ให้เห็นว่าทุกๆครั้งที่ลูกค้าไม่ยอมซื้อประกันและพยายามขับไล่ใส่ส่งผมจะนึกถึงภาพเด็กตัวน้อยที่ยืนอยู่ในโรโม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 ดังนั้นทีมวิศวกรจึงได้เดินหน้าทำงานหกเดือนผ่านไปไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอีก6เดือนผ่านไปก็ยังไม่มีความคืบหน้าทีมวิศวกรได้พยายามใช้ทุกแผนการเพื่อทำตามคำสั่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเกือบถึงปลายปีฟอร์ดได้ตรวจสอบทีมวิศวกรอีกครั้งและพวกเขาก็ได้บอกฟอร์ดว่าไม่มีทางที่จะทาตามคาสั่งได้สาเร็จ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 มีศรัทธาในศักยภาพของตนเองและมีความมุ่งมั่นในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จบบทวิจารณ์ทำไมคุณจึงต้องเป็นผู้กำหนดโชคชะตาให้ตัวเองเมื่อกวีเรืองนามชาวอังกฤษวิลเลียมเฮนเลเขียนบทกวีความว่าฉันเป็นนายแห่งโชคชะตาตัวเองและฉันคือผู้ควบคุมจิตวิญ ญ, ญาณของฉันเขาได้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราเป็นผู้กำหนดโชคชะตา